สรุปลงสองอย่างคือทุกข์กับความดับทุกข์ท่านสอนเพียงแค่เนี้สรุปลงแค่เนี้ยพระไตรปิฎกทั้งหมดก็สรุปลงแค่ทุกข์กับการดับทุกข์ต่นนั้นนะแล้วการดับทุกข์เนี่ยมันมีตัวปฏิบัติท่านบอกวิธีการปฏิบัติด้วยวิธีการปฏิบัติเพื่อความบ้นทุกข์ท่านบอกวิธีให้ก็คือหลักสติปัฏฐานเป็นหลักธรรมนาพาชีวิตสู่ความพ้นทุกข์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 พูดกันไปแต่ปฏิบัติไม่ได้แต่ว่ามีตัวปฏิบัติซึ่งเป็นแก่นเป็นแกนของศาสนาคือหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหลักธรรมและที่สำคัญก็คือมีพยานมีตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติแล้วพ้นจากความทุกข์ได้นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกแล้วก็ครูบาอาจารย์ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็สามารถปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้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 มันอดไม่ได้หรอกมันต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเอาสิ่งนั้ น, นมาสู่จิตใจสู่ชีวิตของเราเนี่ยเพราะเองก็เช่นเดียวกันพอเกิดศรัทธาแล้วมันก็เพียรที่จะปฏิบัติทมที่สุดแห่งความทุกข์ก็ได้อาศัยหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหลักธรรมประจำจิตประจำใจแต่ว่าอาศัยครูบาอาจารย์รุ่นปัจจุบันเนี่ยมาเจริญสติมาเพียรเจริญสติมาสร้างสติ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 อ๋อนีอ่เวลาความร้อนอากาศร้อนมากระทบร่างกายจะเป็นอย่างนี้นะเวลาความเย็นมากระทบร่างกายจ ะ, ะตอบสนองแบบนี้นะเวลาปวดปัสสาวะก็จะมีอาการแบบนี้เวลาเปิดจราจะมีอาการแบบนี้ทานอาหารที่มีผงชุบรสหรือสารพิษเข้าไปเนี่ยร่างกายจะแสดงอาการให้เราเห็นหมดเลยสติเป็นตัวที่สัมผัสแล้วก็รู้ได้แล้วก็แก้ไขแก้ปัญหาตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองได้เห็นหม เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวเราสติสัมมาัญญาเนี่ยเป็นการสร้างเครื่องมือสมบัติชีวิตที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ปกติเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยมันทําให้เราเข้าใจเรื่องของกายเข้าใจเรื่องของร่างกายอาการต่างๆที่แสดงออกมานี่มันเข้าใจเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นและสติสัมปัญญญาเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างผลิตเครื่องมือที่ ละเอียดอ่อนมากไม่ใช่เข้าใจเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเข้าใจด้านจิตใจซึ่เป็นส่วนลึกของชีวิตสติสัมปชัญญะเป็นตัวที่เข้าไปรู้อารมณ์ทางด้านจิตใจไปเห็นต้นตอของปัญหาเห็นต้นตอของความทุกข์โอ้ยความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะจิตดีมันหลง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 มันไม่เป็นของใครแต่เราไปเหมาไอความคิดเนี่ยเป็นของเราไปเหมาเป็นของเราไปตู่กิเลสแล้วเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์นะแบกความทุกข์เพราะความคิดอันที่จริงแล้วเนี่ยความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นปัญหาเพราะเราไม่อยากพิการถ้า่างกายที่พิการเดี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นปัญหาเพราะว่าใจไม่อยากพิการไปคิดต่อต้านไม่รู้จักยอมรับใจมันก็เลยเป็นทุกข์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 ในแต่ละวันเนี่ยผมรับฟังความทุกข์จากคนอื่นเนี่ยมากมายจะมีคนมาหาผมเล่าเรื่องความทุกข์ระบายความทุกข์คนมีความสุขเขาไม่ค่อยมาหาผมหรอกคนที่มาคือความทุกข์คนที่มีความทุกข์ชอบมาพูดมาคุยเห็นประโยชน์เวลามีความทุกข์เห็นประโยชน์กับคนพิการเห็นไหมเหมือนผมอะเวลามีความทุกข์ก็เห็นประโยชน์ของศาสนาเขาจะมาเล่าเรื่องต่างๆว่าจะเป็นความทุกข์ต่างกันไอ้ผมก็รับฟังเรื่องความทุกข์เนี่ยมาต้องกว่าสิบปีแล้ว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 ไม่เป็นไรหรอกนิ้วกระดิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะลองทําดูจับด้ามมีดโกนเนี่ยใส่มีดโกนแล้วมาโกนหนวดมันท้าทายนะถ้าพลาดนี่มันก็บาดปากมันท้าทายแต่มันต้องลองทําดูก่อนจับด้ามมีดโกนโกนหนวดโกนหนวดได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องโกนหนวดแบบไฟฟ้าอ่ะของใหม่ลองของใหม่จับเครื่องมือโกนหนวดแบบใหม่โกนหนวดเองได้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 เมื่อทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ขาดทุนหรอกแต่มันได้กำไรที่ว่าเราได้เจริญสติได้เจริญสติไปกับการฝ่าฟันอุปสรรคกับการท้าทายตัวเองได้สติได้ประสบการณ์ได้มีอะไรทําอ่ะดีก็อยู่เปล่าๆปล่อยให้ความคิดมันกินหัวคนอยู่ว่างๆเนี่ยความคิดมันกินหัวนะระวังให้ดีนะว่างเพราะไม่มีงานทําเนี่ยเพราะมันเครียดมาก ผมก็จะหาอะไรทําให้มันช่วยตัวเองหาเรื่องเอาไวะ้ให้มีอะไรทําแล้วก็จระสติไปกับการท้าทายการทํางานแบบนั้นนะทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วได้จระสติได้มีงานทําได้มีอะไรทํานะได้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆมากมายพาะเราท้าทายตัวเราเองเนี่ยแต่ว่าถ้ามันทําได้ขึ้นมาเนี่ย เราก็ได้กำลังใจเกิดกำลังใจเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นฐานของจิตใจที่จะทําในสิ่งที่มันยากการทําติที่ยากคือการเอาชนะใจตัวเราเองก็พยายามทำในส่วนเนี้ยเพราะฉะนั้นการเจริญสติไปกับการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นการเรียนรู้ตัวเองศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองแล้วทําให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นมันเปลี่ยนชีวิตใหม่เลย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 ตอนแรกนี่พวกเองมีความกังวลว่าในสภาพเช่นนี้เราจะแสวงหาความสุขได้อย่างไรมันก็ถามเองอยู่เรื่อยนละมันคงไม่ได้หรอกแต่พอมาใช้ชีวิตด้วยการจิสติในแต่ละวันเนี่ยสุขไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องมุ่งไพืจะแสวงหาความสุขสุขมีเองไม่ต้องแสวงหาเลยสุขมันมีขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะนั้น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 ด้วยการจิตสติเนี่ยมันพ้นกรรมได้อยู่เหนือกรรมได้มันเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันเนี่ยทีนี้มาถึงเรื่องของภาพยนตร์มีหลายมุมที่อยากจะเสนอนะ่แต่วันนี้ขอเสนอสักมุมถนึงว่าในขณะที่คนพิการตาบอดพยานยาตะเกียรตะกายขึ้นไปไปขอเพื่อจะบวชอยากจะบวชอยากจะพ้นทุกข์อยากจะใช้ชีวิตที่บีบสาละแต่ ธรรมวินัยนั้นว่าบวชไม่ได้คนพิการบวชไม่ได้เป็นอุปธิวิบัติบวชไม่ได้แต่ก็ถูกแล้วถูกต้องแล้วที่บวชไม่ได้ต้องขอบคุณที่ธรรมวินยัยไม่ให้นคนพิการบวชเพราะอะไรเพราะถ้าปล่อยคนพิการเข้าไปบวชเนี่ยโลกเขาจะขรหาว่าอาจสายผ้าเหลืองกินเป็นภาระของาศาสนาดีแล้วที่ไม่ต้องให้บวชถูกแล้วเห็นชอบด้วยแต่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 5้าปีที่แล้วที่วัดป่าสุกโตเนี่ยคณาจารย์จากวิทยาลัยราชสุดาพาคนพิการหูหนวกเป็นใบ้เพื่อที่จะไปบวชที่วัดป่าสุกโตเป็นการบวชเพื่อถวายให้ประเทศครบรสี่สิบแปรษาหรือไงเนี่ยบวชสี่สิบเก้าวันมีผู้บวช4ี่สิบเกคนไปขอบวชกับหลวงพ่อคำเขียนว่าเขียนอนุญาต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 แล้วการเป็นแบบได้ผลเลยนะมองคนหูนหนวกนะแต่พอเจริญสติไปเนี่ยได้ยินเสียงกีตา้ามองคนได้ยินเสียงเรือหางยาวเขาก็มีความสุขในสิที่เขาอยากทำแม้แต่ไม่ได้บวชในรูปแบบก็บวชนอกรูปแบบก็ทำได้สี่สิบเก้าวันใช่ไมอันที่จริงแล้วเนี่ยหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสากลสามารถปฏิบัติได้ทุกคนไม่เลือก ชาติชั้นวันละนับถือสาสนาใดก็ปฏิบัติได้คนโป well, รติแคนพิการก็ปฏิบัติได้เราสามารถนำวัลลธรรมเนี่ยไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ที่วัด <stad> ก <new Diese> ็ได้ที่บ้านก็ได้ก็สามารถที่จะแนะนําถามว่าคนที่พยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นบันไดหลายขั้นเพื่อจะไปขอบวชแล้วก็ไม่ได้บวชก็สู้คนพิการอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่ที่ศาลาเห็นไหมเป็นเด็กเด็กนอนสบายเลย ไม่ต้องออนิพานก็ได้นอนสบายเลยพอตื่นขึ้นมาก็มีสัมเณ น, นใจดีหิ้วขนมมาแบ่งกันกินมันก็มีความสุขเพราะนั้นไม่ไปอ้อนิพานก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่แบบมี ม, มีทุกเนี่ยมันสบายอยู่แล้วผมเองนี่เคยคิดอยากกระบวดแต่ว่าพลาดโอกาสก่อนที่จะพิการเนี่ยนะผมลาบวชเรียบร้อยแล้วอียี่สิบวันเนี่ยผมจะบวชอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่แจากการ์ดเรียบร้อยเลย ยี่สิบวันจะบวชแต่ว่าพราดทาบวชไม่ได้ร่างกายท้อพิการซะก่อนประสบบัติเหตุก็บวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อบวชกายไม่ได้ก็บวชใจก็ยังดีไหนตั้งใจไปแล้วเนี่ยบวชกายไม่ได้ก็บวชใจก็ดีถือได้ว่างานอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงใจบวชจิตบวชใจดีกว่าบวชกายไม่ต้องห่มผ้าเหลืองะนอนปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้าน ผมเริ่มต้นปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปเริ่มต้นที่วัดอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับญาติพี่น้องใช้วิตตามปกติทํารายที่บ้านปฏิบัติธรรมโดยสายหลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโนเนี่ยจากวัดป่าสุกโตชัยภูมิส่งข้อมูลธรรมะมาทางจดหมายเขียนจดหมายสอนธรรมะกันทางไปรษณีย์เลยก็ทําได้ก็สายการเจริญสิทธิ์ในชีวิตประจําวันอยู่ที่บ้าน พ่อผมเขียนบอกไม่ต้องไปวัดหรอกปฏิบั ต, ตทิที่บ้านนี่แหละทำที่ที่บ้านนี่แหละจะเริ่สติไปชนเกิดปัญญาเห็นว่าโอ้ยความพิการเนี่ยเป็นเรื่องของกายเป็นมีอาการของกายเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของจิตของใจเลยโอ้เข้าใจเข้าใจถึงความพิการถ้าออว่าเราเป็นคนที่มีร่างกายพิการเราไปให้ความสําคัญมัดหมายมันมากเนี่ยความพิการมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ขุนเขา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 เนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปนิพพานก็ได้ถ้าอยู่กับควาพิการแบบไม่เป็นทุกข์แล้วก็นิพพานไม่จําเป็นนะบางทีไปนิพพานแล้วบางทีกลับมาพูดกับชาวโลกไม่รู้เรื่องก็มีนะมันไม่จําเป็นนะนิพพานเรียบร้อยแล้วมาคุยกับชาวโลกทะเลาะ ก, กันอยู่เรื่อยมีปัญหาลงนี้นิพพานไม่มีปัญหาเอาไม่มีทุกข์ดีกว่า <c oughs> ใจไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปนิพพานก็ได้เพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเนี่ย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 มีปัญญาเนี่ยเป็นหลักธรรมประจําจิตประจําใจเนี่ยสามารถพาจิตใจเราเนี่ยออกจากความทุกข์ได้เหมือนกันนะโดยไม่ต้องไม่คํานึงว่าบวชหรือไม่บวชไม่จําเป็นหรอกบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้แต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียนมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มันพ้นทุกข์ได้ทางนั้นแหละไม่จำเป็นต้องบวชในรูปแบบก็ได้พุทธเจา้าท่านบอกว่ากราบใดที่ภิกษุเนี่ยเป็นอยู่โดยชอบแล้วไซ โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ข้อพิสูจน์นี้ไม่ใช่พระพิสูจน์ไปว่าผู้ที่เห็นภายในวาตาสงสารคนปกติและคนพิการที่เห็นภายในวาตาสงสารก็สามารถที่จะเป็นพระอรนได้เหมือนกันถ้าว่าเราอยู่โดยชอบคืออยู่โดยปฏิบัติธรรมตามหลักธรร ม, ม, มร 8, เนี่ยมักมีองแปดเนี่ยก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันเนี่เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ย ไม่มีอะไรเกินสติสามปัญชนยะสติสามปัญญะเนี่นะถ้าเราสร้างวัดบ่อยๆเจริญบ่อยๆเนี่ยสติมันจะมาทันเวลาที่มีทุกข์มาเยือนจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตเราได้ผมถือว่าสติสัมัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเปรียบเสมือนแพทย์ทางรอดเป็นแพทย์ทางรอดทางด้านจิตวิญญาณ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 ก็ได้มาทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรร ม, ห น, นรรรรมหนึ่งในพุทธบริษัททาประโยชน์ได้เชื่อบอกก็คือว่านี่เฮียิตปัสสิโกเอหิตปัสสิโกน่าท่านจงมาดูเถิดท่านจงมาดูเถิดเชิญชวนให้เอหิตปัสสิโกท่านจงมาดูเถิดแต่ว่าไม่อยากให้มาดูอย่างเดียวนะให้นําเอาไปศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติลองพิสูจน์ดูเนี่ยอย่างวันเนี้ยได้มาทําหน้าที่